หลวงพ่อพูดทุกเช้าทุกเย็นบางทีมีการไปชมต่างกลัมต่างวาระการแสดงความคิดเห็นก็ต้องมีพอหลวงพ่อสร้างวัดมาเป็นระยะเวลาถึง20กว่าปีมาอยู่ที่นี่ปี2525 25. แต่เบื้องแรกก็ไม่ได้พูดอะไรมีแต่เปิดเทปครูบาอาจารย์ให้คณะ พระเนนที่เข้ามาอาศัยตลอดถึงพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องจนบางครั้งก็มีคนน้อยอกน้อยใจว่ามาวัดหลวงพ่อแล้วทั้งที่จะได้ฟังความคิดเห็นของหลวงพ่อกลับมาได้ฟังเทปของครูบาอาจารย์ที่เขาก็มีอยู่แล้วอยู่ที่บ้านของเขาแต่มานี่ก็อยากจะมาฟังความคิดเห็นแต่พอมาก็ได้ฟังเทป ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอีกอย่างเก่าบางคนเขาก็พูดให้ต่อหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะยังไม่ถึงการเวลาถ้าว่าปุบปรับออกมายังไม่เท่าไรก็ทําท่ากงคอขันผู้ที่มาเกี่ยวข้องบางคู่บางคนเขาก็ได้ยินได้เห็นเขาก็คงจะว่าทําท่าอวดดียังไม่ถึงการเวลาเขาคงจะว่ายอย่างนั้น แต่ขนาดนี้ก็เถอะบางท่านบางคนก็ยังแครงใจอีกเหมือนกันว่าทำไมหลวงพ่ออินได้พูดได้เทศได้แสดงความคิดเห็นแต่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้บวกลบคูณหารพอสมควรในยุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่าเราไม่พูดอะไรออกไปเสยเลยหลวงพ่อก็อายุ61 62ปีเข้ามาแล้วไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มถ้าจะว่าไปแล้วก็ควรจะแสดงความคิดเห็น ที่ตนเองได้ปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรประสบการณ์อย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรหครูบาอาจารย์พระเทรศผู้ใหญ่ก็โรง่งโรยลงไปเรื่อยๆมีแต่องค์หลวงตาที่ท่านยังยึดมั่นสอนแนวภาคปฏิบัติโดยสม่ําเสมอมาตลอดแต่เราก็อยู่ภายหลังก็มีแต่ว่าเสริมเข้าไปบางคู่บางคนที่ไม่ได้เข้าไปหาองค์หลวงตา อย่างพระเนนจะให้เข้าไปอยู่กับท่านทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ที่พระเนนมาอยู่กับเราเราจะไม่พูดไม่แนะนําสั่งสอนเฉลยก็คงจะไม่ถูกต้องพระเนนจะได้รับความรู้ความฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นจึงได้แสดงความคิดเห็นมีการพูดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ไดเห็นได้ยินเพราะนั้นการพูดแต่ละครั้งพระท่านก็ได้อัดเป็นเทปเอาไว้อ หลวงพ่อเขาไม่ว่าแต่ว่าการที่จะ อ, ออกมากน้อยอยังไงแค่ไหนก็ให้ช่วยกันด้วยดุลยพินิษไม่ให้กระทบกระเทือนออกไปด้วยความเป็นธรรมไม่ทําให้เสียหายชุมชนบุคคลหรือประเทศชาติถ้าออกไปอย่างนั้นไม่ดีหลวงพ่อก็ได้บอกแนะนําในการที่จะเอาแผ่นซีดีและคําพูดของหลวงพ่อออกไปแต่หลวงพ่อขอแนะนํา ในการฟังซีดีของหลวงพอ่อถ้าว่ากูใดก็ตามฟังซีดีของหลวงพอ่อเนี่ยถ้าฟังด้วยความตั้งใจจะได้รับอรรถในการฟังฟังด้วยความตั้งใจคือฟังยังไงนั่งฟังด้วยดีอย่าให้มีเสียงอึกทึกคึกโคมไม่ใช่ว่าเสียงคุยกันแล้วกับเปิดเทปหลวงพ่อฟังไปด้วยหรือว่านั่งรถไปคุยกันไปด้วยเปิดเทปฟังไปด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปเปิดจะดีกว่าเสียเสียไฟลบกวนคนอื่นเพราะเหตุไรเพราะว่าคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ชักจูงให้คนฟังในที่สาธารณะเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อพูดช้าในเทป พ, พอฟังไปแล้วพูดช้าเป็นคําเป็นคําเน้นหนักเป็นคําเป็นคําเพราะนั้นที่พวกเรานั่งคุยกันเนี่ยฟังไปแล้ว มันไม่เข้าหูว่า ง, งั้นเถอะเพราะว่าพูดช้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าเราจะฟังในที่สาธารณะที่ว่าพูดคุยกันแล้วฟังนั้นอย่าฟังดีกว่าเสียเสียเทปเสียความรู้สึกหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ฟังอย่างนั้นอีกเสียคําพูดหลวงพ่อว่า ง, งั้นเถที่ตั้งใจพูดแล้วเอาไปลลายๆกะปิเอาไปละลายน้ําทะเลทิ้งว่า ง, งั้นเถอะถึงจะอยู่ในเทปอยู่ในแผ่นซีดีก็เถอะหลวงพ่อเสียดายคําพูดของหลวงพ่อ ที่ไปพูดในนั้นเพราะว่าพูดไปแล้วฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเอากะปิไปละลายน้ําทะเลอย่างนั้นแหละไปนั้นการที่จะฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังนั่งคนเดียวหรือนั่งหลายคนก็ได้แต่อยู่ในความสงบแล้วก็เปิดเทปฟังถ้าฟังอย่างนั้นหลวงพ่อว่าซีดีของหลวงพ่อแผ่นหนึ่งที่ฟังแต่อย่าไปฟังให้จบทีเดียวนะถ้าฟังให้จบทีเดียวเนี่ยเลียดอย่างั้นเออ เลี่ยนอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าฟังจบกัรหนึ่งประยุตไปก่อนพักไปก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังอีกฟังจบแล้วเอากลับมาฟังอีกอโอกาสต่างกล้ำต่างวาละเหมือนกับหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ได้พูดทีเดียวให้จบทั้งม้วนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะให้มันไม่ให้ซ้ำกันเป็นไปไม่ได้พอพูดต่างกล้ำต่างวาระถ้าว่าพูดในวันเดียวกันก็คงจะเปลี่ยนแปลงได้ว่า เมื่อที่แล้วเราพูดอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นจากนั้นเราก็พยายามจะไม่ซ้ําต้นอีกเราก็พยายามพูดให้จบไปเลยทั้งมวนแต่ทั้งม้วนมันสิกว่าชั่วโมงเนะ่ยเราจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นพูดต่างกลัมต่างวาละจะไม่ให้มันซ้ํากันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะซ้ํากันเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังเนี่ยอยากจะได้อัดรสในการฟังฟังจบแล้วให้หยุดซะก่อนพักซะก่อน จากนั้นค่อยฟังอีกถ้ารู้จักวิธีการฟังตั้งใจฟังด้วยความสงบโรงพ่อว่าเมื่อฟังจบซีดีแผ่นหนึ่งแล้วคงจะได้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยคงจะรู้เรื่องอะไรกับตนเองชุมชนสังคมพ่อแม่วงสาคณาญาติพูดอยู่ใกล้ชิดควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ในการเป็นอยู่หลวงพ่อเชื่อมั่นเหลือเกินว่าต้องได้ประโยชน์แน่ไม่มากก็ต้องน้อยเพราะว่าหลวงพ่อได้พูดตัวเองก็ได้ฟังเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพูดจบแล้วก็จบบางทีก่อนที่จะออกไปหลวงพ่อก็มาฟังดูสิเป็นยังไงแต่ฟังดูแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดถ้าหาว่าไม่ตั้งใจฟังแล้วอย่าเปิดให้เสียเที่ยวเสีย เป็นเสียงรบกวนคนอื่นเขาให้เขารำคาญถ้าฟังก็ต้องฟังคนเดียวถ้าเปิดใส่ซีดีเสร็จแล้วก็เอาเครื่องฟังเข้าไปในหูนั่งฟังฟังอย่างนั้นแล้วจะเกิดประโยชน์ฟังแล้วไตรตรองเหตุและผลไปด้วยจะเกิดอัธรต mm hmm. หรือว่าธรรมะที่ได้ฟังนั้นจะเข้าสู่จิตใจของเราใจของเราก็จะได้รับรู้รับทราบลัความเป็นมาของพระพุทธศาสนา จุดหมายปลายทางของพระพุทธทเจา้าจุดหมายปลายทางที่พ่อแม่ครูบาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาที่ท่านอยู่ป่ารงพงภัยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับฝ่ายพระสงฆ์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไ ร, ร, ร, ง ท, งไรท่านมีความเชื่อยอย่างไรในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าฟังจบทั้งแผ่นแต่ละแผ่นนะที่หลวงพ่อได้พูดคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟัง สรุปแล้วก็คือว่าสุสัสงลัสเตปั ญ, ญัาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าหากว่าผู้ฟังเป็นแต่สักว่าฟังฟังเหมือนหมอร้องหมอลำฟังไปอย่างนั้นก็เหมือนกับหมาเดินผ่านมาคนสาดน้ำใส่หลังวิ่งสะบัดพลืดไปเลยก็จบมันก็มีเพียงแค่นั้นะมันไม่ได้อาบน้ำให้ตัวชุ่มตัวเย็นตัวสะอาดอะไรว่างั้นแต่ เ, เพียงแค่นั้นบางคนอาจจะ โมโหให้แก่พระพูดอีกต่างหากพูดไรก็ใหม่ลุกแต่ทางเราฟังด้วยดีแล้วเราจะได้ความคิดได้สติได้ปัญญาได้ความสำนึกสำเนียดว่าการเป็นอยู่ของคนเราเกิดมาอย่างไรทําตัวอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรประพฤติตนอย่างไรสํารวมกายวิาจาใจอย่างไรมีคุณค่ายอย่างไรตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ทำไมจึงว่าตายแล้วศูนย์ทำไมจึงตายแล้วเกิดเพราะเหตุใด ในแผ่นธรรมเทศนาหรือแผ่นซีดีของหลวงพ่อคิดว่ามีเหตุผลในนั้นถ้าหาว่าพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังก็จะได้รับความรู้ความฉลาดไม่มากก็ต้องน้อยแต่ถ้ า, าว่าเอาไปฟังแบบทิ้ ง, ง, ง, ขงๆขวงๆแยกซีดีไปกระย่างวานเหมือนกับเราหว่านเม็ดพืชลงในทีนาที่ดอนบางทีเม็ดเมล็ดข้าวไปตกในหินดานไปตกในกิ่งไม้ตนเม็ดข้าวเกิดไม่ได้เอออย่างนั้นก็มี หลวงพ่อก็เสียดายแต่ถึงอย่างไงท่านเราไม่หว่านจะเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องหว่านเผื่อได้เผื่อเสียว่างั้นแต่แต่ผลที่จะท้อนย้อนกลับมาก็มีหลายคู่หลายคนเหมือนกันว่าเออที่ได้ฟังคําพูดของหลวงพ่อแล้วเกิดประโยชน์ในความรู้ความคิดได้ยิดเสียงสะท้อนย้อนมาเพียงนิดหน่อยหลวงพ่อได้พูดออกไปก็รู้สึกว่ามีกําลังที่จะพูดว่างั้นยกตัวอย่างอย่างที่หลวงพ่อไปพูดใหม่ๆ พูดยังไม่เป็นว่าไงสมัยเที่ยวทุดงกรรมฐานมาพักอยู่ที่บ้านบางแคสมัยนั้นมาพักอยู่ที่วัดบ้านเขากลางคืนมันหนาวเดือนธันวาเนี่ยหนาวจริงๆว่าไงเนี่ยอยู่ในม้งกรดแต่นี้พอไปถึงกัไปพักที่ศาลาของเขาทาลาวัดบ้านพอไปถึงค่าพอดีพราะตามไมจริงพอไปพักที่ศาลาวัดบ้านของเขาชาวบ้านของเขาเห็นพระบ้านนอกก็เห็นพระเนี่ยเขาก็ต้องโอ้คูบามาพระมา เขาก็ออกมาแล้วเขาก็หาเสือหาสาดหาหมอนมาให้จากนั้นเราก็ปูที่เสือสาดหมอนเสร็จแล้วก็เข้าที่พักมันหนาวจริงๆแต่เราคิดว่าคนจะไม่มาพออีกสักพักหนึ่งประมาณแักท่มกวกวานชาวบ้านเขาถือใต้กระบองจุดคบเพลิงพรวมนมาเลยยาวเหยียดมาเลยําไม่มีไฟฉายได้สมัยนั้นแต่มีตแต่น้ามันยางกับไม้ผูกๆเขายัดใส่กระบอกไม้ภายแล้วก็จุด เป็นครบเพลิงออกมางั้นมาเป็นสายมาพอมาถึงแล้วก็โอ้คนมาวะเอายังไงวะเราก็ไม่เคยเทศเคยพูดสักอย่างเลยทีนี้เห็นคนนะมันจะจะโดดเข้าป่าไกลๆเลยอย่างั้นแ ต, แต่มันรู้จะทํายังไงเราก็มาอยู่ที่สล า, าของเขาแต่เนี๋ยวเขากดขึ้นมาขึ้นมาเราก็คล้องผ้าออกมาเขมานั่งมาก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นประเพณีทางอีสานของเราเนี่ยถ้ามีพระครูบาอาจารย์มานั่ง มาที่สลาของเขาเขาก็ต้องมากราบมาไหวามาโอภาปาศัอย่างนั้นแหละแต่นี้กับชาวบ้านเขาก็เอาพวกมาพูบุตรีว่า ง, งั้นเถอะมาตอนรับขับสู้แต่นี้เขาก็มาเออมากราบครูบาอาจารย์เห็นว่าครูบาอาจารย์มาจากทางไกลก็เลยมากราบครูบาอาจารย์มาไหว้พระจากนั้นเขาเออเอาไหว้พระซะจากนั้นครูนํเขาเขาไหว้พระก็ไหว้พระจบลงเสร็จเรียบร้อยเขาก็อาราธนศสิน อาณาศิลป์เร า, าก็ให้ศิลพออาณาศิลจบแล้วมันไม่จบอยู่เพียงแค่นั้นอาราธนาธรรมผมมาจะโลกายต่อไปอีกตายเลยท่านนี้ข้าจะเอาอยัางไงข้ากลัวที่สุดก็คือเทศที่นี่วะแต่เนี่เอ้าตั้งใจฟังแล้วก็ว่า ย, ย่างงั้นนิ่งเ ง, เงเงียบเขาก็เงียบหลวงพ่อก็เลยว่าอดทนถ้าพวกเราทุกคนมีความขันติมีความอดทนแล้วนั่นแหละ พวกเราจะประสบความสําเร็จถ้าพวกเราขาดไม่มีขันติคือความอดทนความสําเร็จเกิดได้ยากแต่หลวงพ่อพูดภาษาทางอีสานว่าเอ้าพ่อมีธนระมันหนาวกลับซะแต่ทั้งที่ตัวเองไม่มีคําจะพูดเลยทาท่าว่ามันหนาวเลยไล่เขากลับเขาก็ซาทุเขาก็า เ, ากเลยพ่อมพากันกลับพ่อกลับไปแล้วทีนี้หลวงพ่อเกิด ไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะผม พ, พูดอย่างงั้นเพียงคําเดียวเนี่ยเข จ, จะได้ผลก็ใหม่ก็ไม่ทราบนะพอต่อมาอีกท่นีหลวงพ่อก็เลยย้อนกลับมามาสร้างวัดป่านะคำน้อยห่างกันเกือบ5้าหดปดปีเมืจากนั้นพระช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองกําลังปั่นป่วนหลวงพ่อก็เลยไปสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกเนปี2530แล้วก็พ่อตู้ที่ได้ฟังที่เป็นหัวหน้าฟังนะยมพอตูบานนะท่านเขามากลับ โอ้ที่ท่านอาจารย์พูดที่ไปพบกันวันแรกที่บ้านวังแค่ที่ซาลานถึงใจผมขนาดว่ดาไะเอาเป็นไงตู้่ะเพราะว่าผมได้ยินท่านอาจารย์พูดมันอดทนผมกเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมก็คิดถึงคําของท่านอาจารย์แลย้ยอดทนบางทีผมทะเลาะกับแม่บ้านเ อ, อบางทีผมก็อยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะว่าแต่บางทีผมก็คิดอดทน พออดทนไปแล้วเรื่องร้ายทางหลายกลายเป็นดีและกระจบกันโอ้ทางวันเราไม่อดทนในขนาดนั้นเป็นเรื่องแน่แน่ผมก็เลยลึกถึงท่านอาจารย์บางทีผมไปหาบน้ําบรรยางมาจากเขาหาพามาโอ้โหเพรามันหนักจริงๆแล้วมันเหนื่อยมันยังก็ยังไม่ไกลอ้าอดทนออเอออีกไม่นานก็ถึงแล้วผมก็อดทนก็มาถึงที่ได้จริงๆก็เลยลึกถึงท่านอาจารย์ดีกว่าออความอดทนเนี่ยเป็นเลิอดจริงๆ ถ้าหาว่าเราไม่อดทนเนี่ยขาดขันติคือความอดท น, นคงจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์พูดในวันว่าขันติคือความอดทนจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งผมเชื่อเพราะนั้นมีประโยชน์สําหรับผมอย่างมากที่ผมได้ยินได้ฟังในวันนั้นนี่หลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เออที่เราพูด เ, ออเป็นภาษาสั้นๆออแต่ก็ยังมีผู้นําไปประพฤติปฏิบัติ ยังเอามาเตือนตนด้วยตนเองอยู่ก็เกิดประโยชน์หลวงพ่อคิดอย่างนั้นดียินอย่างนั้นก็เออดีใจภูมิใจมีกำลังที่จะพูดให้แก่คนฟังอีกอ่างั้นแเพราะว่าปล่อยยาออกไปแล้วได้ผลให้ยาไปแล้วได้ผลคนไข้ตอบรับอย่างนั้นอันนี้ก็สีดีของหลวงพ่อทั้งหมดท้าว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้ว นำมาปรปับปรุงกายวาจาใจของตนปรปับปรุงการเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ทําไมมากก็น้อยอย่างั้นเลยจะให้เปล่าประโยชน์เฉลยหลวงพ่อว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คือจะได้ทั้งดุลทั้งหมดคงจะไม่ถึงขนาดนั้นอีกเหมือนกันแต่ว่าต้องเกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังในการได้ศึกษาต้องได้รู้และได้เข้าใจ ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจไม่มากก็ต้องน้อยถ้าตั้งใจฟังด้วยดีนะวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับการฟังซีดีเรียว่าตั้งแต่ริเริ่มว่าทำไมหลวงพ่อจึงมีการพูดการอบรมพระเนรญยญ่าดโยมโดยลำดับมาแต่ไม่ถึงกับมากนะก็พยายามพูดมาเรื่อยๆ เ, เพราะเห็นว่าตัวเองที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับองค์หลวงปู่กับอยู่กับองค์หลวงตา ม, มา ก็อาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงปู่เนี่ยท่านพูดเหมือนปู่สอนหลานแนะนำอยู่ตลอดเว ล, เวลาแต่สมัยนั้นเนี่ยในใจนะแต่ไม่กล้าพูดเออทำไมพูดอะไรมากมายนักหนาก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่กล้าพูดนะแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ที่หลวงพ่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานไม่ถึงขนาดนี้แล้วแต่ก่อนๆมาแล้วเห็นพระคุณของท่าน พอเร ล, ลึกถึงองค์หลวงปู่เมื่อไหรก็ยกมือท่วมหัวเหมือนกันที่ท่านแนะนําสั่งสอนถ้าท่านไม่จุกจุกจี้จี้ท่านไม่แนะนําให้ความรู้ความฉลาดขนาดนั้นตัวของเรากคงจะไม่เป็นอย่างนี้คงจะไม่มีวันนี้ว่างั้นเถ อ, เอะเพราะฉะนั้นจึงระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอว่าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมีคุณค่ามีประโยชน์มากสําหรับหลวงพ่อเองนะสำหรับคนอื่นนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันว่างั้นแต่แตสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่ามีประโยชน์นะ ต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรณ